ตอนที่เก้าิบสี่ฟองซึ่งหน้าพวกเขาอยู่ที่นี่ไม่มีทางเบื่อหรอกคะมีทั้งของกินของใช้แถมที่พักก็สะดวกสบายจะเบื่อได้อย่างไรสภาพความเป็นอยู่ที่นี่ดีกว่าที่บ้านมากสิ่งที่ลีชิงพิงกังวลในตอนนี้คือหากปล่อยให้พวกเขาพักอยู่ที่นี่ต่อไปใครจะไปรู้ว่าครั้งหน้าพวกเขาจะขนกันมาทั้งตระกูลหรือไม่ลีชิงพิงขมวดคิ้วแน่นเรื่องของฉันฉันจัด ก, การเองได้ค่ะไม่อยากให้พวกคุณต้องมาพล่อยเดือดร้อนไปด้วยฉันไม่อยากให้พวกคุณต้องมานั่งโกรธแทนฉันแม่คะ ไม่เป็นไรจ้ะลีชิงพิงตัดบทลูกสาวมุมปากยกยิ้มบางๆยังไงแม่ก็อยู่บ้านว่างๆไม่มีอะไรทําอยู่แล้วถ้าพวกเขาอยากจะหาเรื่องแม่ก็จะขอสู้ให้ถึงที่สุดเจ้าชุนฮาวามองหลีชิงพิงด้วยสายตาที่ซับซ้อนในแววตาเต็มไปด้วยความสงสารหลายปีมานี้สองแม่ลูกคู่นี้คงต้องผ่านความยากลําบากมามากกว่าตอนนี้หลายเท่าตัวนักชีวิตของผู้หญิงเ่านั้นเหมือนกับการได้เกิดใหม่สองครั้งครั้งแรกคือตอนเกิดหากไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ดีก็จะเป็นเหมือนอย่างหลีชิงพิง ครั้งที่สองคือตอนแต่งงานลีชิงผิงโชคร้ายทั้งสองครั้งแต่โชคดีที่การแต่งงานใหม่ในครั้งนี้ชีวิตเริ่มจะดีขึ้นมาบ้างแล้วเจ้าชุนหวาอดไม่ได้ที่จะทอดถอนใจในอกเป็นผู้หญิงเหมือนกันแท้ๆ ท, ทำไมในโลกนี้ถึงยังมีพวกที่มีความคิดรักลูกชายมากกว่าลูกสาวอยู่อีกถ้าเธอได้หลานสาวตัวน้อยๆมาสักคนในใจคงจะดีใจจนบอกไม่ถูกลูกสาวใ น, นเดิมทีก็ต้องได้รับการดูแลประครบประ ง, งมมากกว่าลูกชายอยู่แล้ว เจ้าชุนหวาวสายหน้าขณะที่กําลังคิดอยู่นั้นหลีขุยและภรรยาก็เดินเข้ามาพอดีช่างเป็นพวกที่พูดถึงก็มาทันทีจริงๆทันทีที่แม่หลีเดินเข้ามาในห้องก็รีบเรียกคุณดงอย่างสนิทสนมคุณดองเป็นประเภทที่พยายามหาเรื่องคุยไปเรื่อยสายตาของหลีขุยจ้องไปที่หลีหวานก่อนจะแ้งทําเป็นดูว่าเสี่ยวหวานแกก็โตเป็นสาวขนาดนี้และปกติที่บ้านมีงานอะไรก็ต้องรีบแย่งกันทําอยาปล่อยให้คุณย่าต้องลําบากจำไว้หรือยัง บ้านฉันไม่มีธรรมเนียมให้เด็กต้องมานั่งทำงานงกๆกรอกค่ะเจ้าชุนฮาวาส่งสายตาบอกให้เสียวหวานออกไปก่อนรอยยิ้มที่มุมปากดูแข็งข้างเล็กน้อยฉันกลับมองว่าเด็กผู้ชายต่างหากที่ควรจะทำงานให้มากเพื่อเป็นการฝึกฝนต่อไปจะได้แบกรับภาระหน้าที่ของครอบครัวได้คุณดงพูดถูกแล้วจะที่ไม่ให้เสียวหวานทำงานก็นับว่าเป็นวาสนาของนางเด็กนี้จริงๆเจ้าชุนฮาวาได้ยินคำว่านางเด็กนี้หลุดออกมาจากปากอีกฝ่ายก็ขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจเสียวหวานเขาก็มีชื่อนะคะ คแม่หลีไม่รู้เลยว่าตัวเองพูดอะไรผิดไปเธอได้แต่มองเจ้าชุนฮวาด้วยความบุนงงเธอก็รู้ว่าหลีหวันมีชื่อแล้วยังไงละ่ะนี่เธอพูดคําไหนผิดไปอีกจนทําให้เจ้าชุนฮวากโกรธเข้าแม่หลีเหลือบมองหลีขุยด้วยสายตาแปลกๆซึ่งเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดอะไรผิดไปชิงผิงไม่ว่ายังไงแกก็ต้องทอดลูกชายให้ตระกูลเจิ้งเขาให้ได้นะรู้ไหมหลังจากสั่งสอนหลีหวันเสร็จหลีขุยก็เริ่มหันมาสั่งสอนหลีชิงพิงต่อ ตอนนั้นที่แกต้องอย่ ก, กับเจียนเยี่ยก็เพราะแกคลอดลูกชายให้เขาไม่ได้ครั้งนี้ถ้าแกยังคลอดลูกชายไม่ได้อีกแกก็คงถูกเขาทิ้งเหมือนเดิมนั่นแหละพู้จบหลีขุยก็หันไปยิ้มประจบเจ้าชุนฮาวาคุณดองจะถ้าเกิดท้องนี้ไม่ใช่ลูกชายคุณก็อย่าเพิ่งรีบร้อนไปไว้ค่อยให้พวกเขาขยันทํากันต่ อ, อยังไงก็ต้องคลอดหลานชายให้คุณได้แน่นอนจะ้ะเจ้าชุนฮาวามองดูสองสามีภรรยาที่คิดจะประจบสอบพลอแต่ดันพลาดไปถนัดตารอยยิ้มที่มุมปากของเธอแฝงไปด้วยความเย้ยหยันช่างหน้าขันสิ้นดี ลูกชายคนโตของฉันให้หลานชายมาสามคนแล้วตัวฉันเองก็คลอดลูกชายมาสองคนตอนนี้ที่บ้านฉันขาดแคลนที่สุดก็คือหลานสาวชิงถิงแต่งเข้ามาฉันก็ได้หลานสาวคนโตมาฟรีๆหนึ่งคนในใจฉันนี่มีความสุขมากเลยล่ะต่อไปถ้าคลอดหลานสาวให้ฉันได้อีกคนเธอก็จะเป็นผู้ทําคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ให้ตระกูลเจิ้งของเราเลยทีเดียวเจ้าชุนฮาวาพูดเสียงเรียบถ้าเป็นลูกชายก็ไม่เป็นไรหรอกจะยังไงจะเกิดมาเป็นเพศไหนฉันก็รักทั้งนั้นสําหรับฉันไม่มีความคิดเรื่องรักลูกชายมากกว่าลูกสาวหรอกนะคะ แม่หลีเจ้าชุนฮวาสมองมีปัญหาหรือเปล่าไม่อย่างนั้นทำไมถึงชอบหลานสาวมากกว่าหลานชายหรือว่าจงใจพูดประชดพวกเขากันแน่เฮือเือใบหน้าของหลีชิงถิงเปลี่ยนเป็นเขียวสลับขาวเธอแทบจะนั่งฟังต่อไปไม่ไหวแล้วนี่หรือคือคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แท้ๆในเมื่อที่บ้านไม่มีงานให้หลีหวานทาเธอจึงตัดสินใจไปที่คลินิกการแพทย์แผนจีนแทน อย่างไรเสียตอนนี้เธอก็เป็นคนที่มีงานทําแล้วพอไปถึงเธอก็ได้ยินหญิงชังเหอกําลังดูด่าคนพอดีฉันสั่งให้พวกแกสองคนจัดคลังเก็บสมุนไพรจัดมาครึ่งเดือนแล้วยังไม่เสร็จพวกแกจะมีประโยชน์อะไรวันๆเอาแต่มานั่งกินแรงคนอื่นอย่าลืมนะว่าฉันจ่ายเงินเดือนให้พวกแกทุกเดือนต่อไปพวกแกแต่งงานมีครอบครัวไปคิดจะใช้เงินเดือนแค่นี้เลี้ยงตัวเองหรือไงตอนแรกพวกแกมาฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเรียนวิชาอยู่กับฉันมาหลายปีพวกแกได้เรียนรู้อะไรบ้าง เรียนรู้วิธีอุ้งานณสิฉันละสงสัยจริงๆว่าเป็นที่ตัวฉันเองหรือเปล่าโบราณว่าไว้อาจารย์ที่เข้มงวดจะสร้างสิทธิ์ที่เก่งกาจสงสัยเป็นเพราะฉันใจดีกับพวกแกมากเกินไปแน่ๆเซวีเชิงชัยและจินหมานทั้งต่างพากันก้มหน้าเงียบไม่มีใครกล้า ป, ปริปากพูดสักคำทําเป็นไม่ใส่ฉันงั้นเร่ได้นิ้งชังเฮดซ้ําอีกประโยค ก, ก่อนจะหันมาเห็นหลีหวันเข้าพอดีสีหน้าเคร่งขรึมเมื่อครูเปลี่ยนไปทันที เสี่ยวหวานมาได้จังหวะพอดีเลยวันนี้มีสมุนไพรเข้ามาใหม่ชุดหนึ่งหนูไปดูหน่อยว่าคุณภาพเป็นยังไงถ้าไม่มีปัญหาก็ลงบัญชีได้เลยอาจารย์ครับคราวก่อนตอนที่อาจารย์ไม่อยู่ผมให้หลีหวานช่วยจัดคลังเก็บสมุนไพรด้วยกันแต่อาจารย์ทายสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นเธอไม่ยอมทําครับเซวีเชิงใช้ชี้หน้าหลีหวานแล้วเริ่มฟ้องทันทีวันนั้นเธอไม่ทําอะไรเลยแค่เดินวนไปวนมาในร้านรอบหนึ่งแล้วก็กลับไปอาจารย์จ่ายเงินเดือนให้เธอไปก็เสียเปล่าจริงๆครับแกไม่เคยมองเห็นปัญหาของตัวเองเลยนะเอาแต่จ้องจะจับผิดคนนออื่อย่ยูได้ นิ้งช้างเหอดากลับอย่างไม่ไว้หน้าเซวันจะทำงานอะไรฉันเป็นคนจัดการเองแกไม่มีสิทธิมาชี้นิ้วสั่งที่นี่ถ้าแกมีความสามารถเหมือนอย่างเขาฉันก็คงไม่สั่งให้แกไปจัดคลานเก็บสมุนไพรหรอกลีวันรู้อยู่แล้วว่าเซวีเฉิงใช้ต้องฟ้องแน่เพียงแต่ไม่คิดว่าจะฟ้องซึ่งหน้ากันขนาดนี้ต่อหน้าต่อตาเธอเลยทีเดียวเหอะลีวันยกยิ้มที่มุมปาก เท่าแกขลูกสิสองคนของเท่าแกนี่ไม่ได้เรื่องจริงๆข้าไม่มีพรสวรรค์เลสักนิดในสายตาของฉันต่อให้พวกเขาอยู่ที่นี่ไปอีกหลายสิบปีก็คงไม่มีวันประสบความสําเร็จอะไรได้หรอกค้าท้าเท่าแก่คิดจะปั้นลูกศิษย์จริงๆฉันขอแนะนําให้เท่าแกลองพิจารณาใหม่จะดีกว่านะคะฉันหลีหวานอาจารย์ของฉันจะจัดการยังไงมันทุระอะไรของแกที่ต้องมาพูดที่นี่เซวีเชิงชัยจ้องหลีหวานด้วยสายตาโกรธแค้นเขาโมโหโจนตัวสัน่นหึลีวาน ฉันว่าที่เขาพูดมาก็มีเหตุผลนะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าปีนี้พวกแกสองคนยังไม่มีความก้าวหน้าอะไรก็เตรียมเก็บข้าวของใส่หัวออกไปได้เลยตอนที่พวกแกมาฝากตัวเป็นสิทธิ์ฉันเคยบอกไว้แล้วว่าจะสอนให้เก่งภายในไม่กี่ปีแต่ผลที่ได้พวกแกกลับมีความสามารถแค่นี้นิงช้างเหอแบมือออกพลางพูดด้วยน้ำเสียงผิดหวังสงสัยฉันจะมองคนผิดไปจริงๆอาจารย์ครับเซวีเฉิงชัยเริ่มลนลาน เขาตามอาจารย์มาตั้งแต่ลาออกจากโรงเรียนถ้าถูกอาจารย์เล่ยออกเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าจะไปทำงานอะไรดีไม่ใช่ว่าเขาไม่เรียนแต่เรียนแล้วมันเข้าหัวยากเหลือเกินถ้าตอนเรียนหนังสือเขามีสมองดีขนาดนั้นเขาจะลาออกมาทำงานทำไมกัน